ดูแล้วโคราชเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 แล้วก็เขตมัธยมที่ 31 น่ะถ้าที่โคราชเขต 7 เนี่ยไม่ได้เกิดตําแหน่ง 3 มีมั้ยดูที่นครพนม 2 มีหรือเปล่า บางตำแหน่งคนสมัครสอบเพราะเหมือนที่พวกเรารู้จักกันนั่นแหละคือเพื่อนเราบางคนเนี่ยเมื่อ และนี่คือทางปรับให้เนี่ยถ้าใครติดตามข่าวเรื่องของ 15,000 เนี่ยก็พนักงานราชการอัตรา 1 เนี่ยได้ประมาณ 9,000 กว่าบาทรวมแล้วนั้น 9,000 กว่า 2 ก็จะ 3 นะ, 4, 5, จะ 3 หมื่นเหมือนต้นปีที่ 4 ปีที่ 5 จะเป็น 15000 ไม่ให้เดียวเหมือนหน้านะท่านรู้อย่างปี 1 ได้ประมาณ 9600 อะไรผมไม่ได้อาจารย์อ่ะปี 2 เราก็จะไม่ได้บวกไปเรื่อยๆ แก้ไขได้เพราะว่าแก้ไขต้องใช้เวลานานตอนนี้รัฐบาลต้องทําเดือนก็คือตาม อยู่เป็นปีครับคือเงินเดือนของผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู 2 ครั้งนะครับนะ สปป. ก็จะกู้ได้ 3 ล้านบางคนเมื่อปีที่แล้วกู้ได้ อยากเป็นดีเลยเนาะบุคลากรนําเปิ้ลคือถ้าอยู่แบบอยู่แบบพอเพียงก็ ผมเชื่อว่านะผู้ชาเนี่ยออกรถพูดซื้อรถนะครับ 2 เดือนละ 67,000 ทั้งส่งรถทั้งส่งสหกรณ์ อยู่ไปเรื่อยๆครับคุณเดือนอยอยอย 3 เงิน 5,560 บาทปัจจุบันปี 36 อยู่ใช้ประมาณ 2,000 3,000 ครับพักอยู่ในโรงเรียนบ้าน ก็ที่ต้องหาในปัญหาหวานเนี่ยครับผู้หาป้าตามทุกตาม 1 ปีกู้อีกละ มันก็โอ้แล้วก็ลืมไปครับใช้เบเร 5 ปี 7 ปี 8 ปีลืมกันไปเลยไม่ต้องคู่อีกอย่างงั้นอย่างนั้นก็เราอยู่ได้ท่านราชการบางคนอยู่คู่อันนี้ส่งไปแล้ว 1 ปีส่งไปแล้วกี่บาทจะคู่ได้กี่บาท นะครับไม่มีปัญหาถ้าจะวางแผนดีๆผม 5,560 บาทท่านจะเป็นบัญจุหลาย 15,000 บาทท่านจะดูเห็น 15 ถึง 20 บาท ประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ก็ 30 35 40 เห็นมั้ยฮะน้ํามันตอนนั้นก็ดีเซลก็ประมาณบาทเดี๋ยว 30 กว่าบาทเดี๋ยวเท่านี้เหลือ 28 บาทนะมันก็ประมาณอยู่อยู่ได้อยู่ได้ท่านพี่ดํา ถ้าข้าราชการได้ 15,000 เอกชนต้องขี่ตัวหนีนะครับจ๊อบเงินเราก็เพิ่มเหมือนกันครับ 60 ปี เงินเดือนเปิดนะครับ 56,000 บาทนะอย่างท่านรองขวัญเลือยตอนนี้ 1 6, 5, 6, จะ 50,000 แล้วยังไม่รวมย่าจะ 50,000 วิทยฐานะอีกท่านเชี่ยวชาญก็ 5,000 6 5,000 6 ก็เป็น กว่าๆบอกกันอีกมือเนี่ยเป็น 500,000 คนเดียวนะครับนี่ถ้า 2 มุ่งหวังที่ข้อบายนะครับขอให้เราพ่อแม่เมียสามีฉะนั้นสามีนะลูกถ้านี้ลูก 1 ลูก 2 ก็ เนี่ยตอนเมียที่จะไปเรียนไม่ได้ดูแลทั้ง 4-5 คนนี้ผมระบบการรักษาการขึ้นนี่ก็ชอบครับถ้าเป็นข้าราชการชอบรักเข้ารักษาเนี่ยขอ อยากก็อยากอย่างดีอาหารก็ต้องอาหารอย่างดีครับห้องพิเศษก็ ในส่วนต่างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราห่วงหวังแล้วว่าเราอยากจะเข้าออไว้ 200, 200, 200, 200, 200, 200 คนที่เรียนมองทางศิลป์ก็จะได้คณิตแต่คนที่เรียนสายภาษาเนี่ยก็จะได้ทํา 50 ข้อครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ดูประมาณ 30% ครับหลังจากคร และอยากจะมาให้บอกว่าเอ่อวิชาเอกของเราเนี่ยสาย ประกาศว่าขอ 2 ปี 2 ปีหรือว่ามีการประกาศสอบ 2 ปีจะหมดแต่ว่าจะประกาศสอบใหม่มัน แต่เจ้าพูดแต่เกิดว่าอยู่ชัยพงษ์ 200 นะครับ 200 300 วันนี้ด้วยทวนวิชาเอกนั้นก็คือทั่วตําแหน่งนั้นก็อีก 100 นึง ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเดี๋ยวเราเอาให้ได้แล้วก็ถอนขึ้นบัญชีไว้นะครับคนที่ไม่ได้ขอใบ แต่ว่าเขาก็โชคดีแล้วล่ะไว้สิ่ง 1 อัน ดูเลยครับเบื้องวันที่นะดูเลยนะครับส่วนไหน พ.ร.บ. ข้อที่ 2, 2 9 178 มาตราข้อภายข้อที่ 3 ความหมายของคํา ความหมายของการศึกษาขั้น 6 อันมาตรา 6 เนาะความมุ่ง 7 ข้อใดไม่ 8 นี้ข้อที่ 8 Education for All อันนี้ข้อ 7 จะเป็น 9 ปัจจุบัน รัฐบาล 15 ปีคควายนะครับนะข้อ 10 การสัมภาษณ์ก็เพียวๆจํานวน 9 ปีก11 เด็กตามเกณฑ์ 7 ถึงยาก 16 ปีที่ 12 ครับรูป 3 รูป 13 ทินพอ 14 คร 4 ครับ 4 องค์ก่อนขอไข 15 กับ 4 ด้าน 16 เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต 17 ผู้มี 18 ครับอักษรย่อของเขตกระผมถ้าเป็นชายกุลก็คอควางให้ท่านเขียนว่าไปสอบที่เขตใดดูตัว นะไอ้ทําแนะนํานครพนมครับดูดีๆนะใครที่สอบเขตข้อ 19 อันนี้ตอบงข้อ 20 ตอบงงูไปดู<อ> ว่าสูงศึกษาธิการครับ 110 นะครับ 1 ลักษณะการนะครับบริลักษณะ นะ. 2 การแบ่งส่วน 6 ส่วนราชการข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในส่วนกลางของ 5 สพท. เรามีอยู่ 10 ส่วนราชการขอ 6 กพท. 27 คนขอ ไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่กกไก่ 8 การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขต ข้อที่ 9 บอกคอไปข้อที่ 10 การกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตเห็นกฎเห็นกําหนดหลักเกณฑ์<เห><เห><ก> ประกาศโดยส่วนแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขต 13 งาน 4 14 การรักษาราชการแทน นะครับถูกทั้งกและข15 กรณีถ้า ผอ. เขตไม่อยู่ท่านต้องบอกว่าไม่อยู่เห็น รักษาราชการแทนนะครับเห็นถ้าไม่อยู่กับรักษาราชการแทนได้ก่อนเองครับนั่นเป็นกฎหมายองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนบ่ายนี้รัฐมนตรีจะมาขอดูนะครับกฎหมาย 2 ฉบับนะครับแล้วจะให้หน่วยงานพ้อต่อ NC ท่านเปิดหน้า 112 ขึ้นมากฎหมายบริหารงานบุคคล 3 ฉบับเรียบ 1 ที่ 2 ที่ 3, 3 ผมผ่าน 4 ครับหม 9 หมวด 143 มาตราไม่ ให้จำเรื่องของพรบการสายชาตินะครับว่ามีกี่หมวดกี่ที่ 1 ถึงหมวดที่ 9 ครับ ได้คุณสมบัติของคนที่จะเข้าเข้ารับราชการครู 3 ครับคุณ 4 คุณต้องรู้ 5 ครับเขาจะ 6 คุณสอบประจุได้ ระเบียบไรของคุณมีกี่ลักษณะหมวดที่ 7 ครับการดําเนินการทางวินัยถ้าเราว่าคุณถูกดําเนินการทางไรจะต้อง 8 ครับคุณ 9 ครับถ้าว่า หรือคุณผู้ผู้บังคับประชากันแกร่งในกรณีที่ไม่ไปร้องเพลงคาราเกะของ เมื่อเป็นการไปเสียเวลากับผลหน้า 113 ขึ้นมาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นใครแล้วข้าราชการครูเป็น 3 ครับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงบุคคลที่ได้รับบรรจุในแต่ข้างตามกฎหมาย กระทรวงที่กับพระราชอิสริยยศนี่คือกระทรวงมหาดไทยครับเรียนด้วยครับเลยท่านจะเห็นพระราชอิสริยยศว่าด้วยคณะกรรมการครูและบุคลากรทาง เดิม 14 กรมพอปี 2545 มันมีปรับปรุงกระทรวงบํารุง 2546 ครับเราได้กรมใหม่อยู่ 5 โครงนี่แหละครับผมเดิม มันก็ยังมีโรงเรียนเค้าก็คือโรงเรียนผมเค้า บุคลากรทางการสามีผู้บริหารทางการสามีผู้บริหารเราครับผม สพฐ. เรามีอยู่ 3 องค์กรบุคคล 3 ระดับคือระดับชาติ ประเด็นข้อสอบก็เลยเกิดได้ว่าองค์คณะ ก. ค. 7 ส. 7 ย่อมาจาก ย่อมาจากอะไรไปดูไปดูมีคุณครับผมสําหรับ นั่นคืออกศรเขตพื้นที่การ 3 ประถมศึกษาเท่าไหร่ครับผม 183 คณะเพราะมันมีจบไปดู กศน. หน้า ผู้อํานวยการรองอํานวยการโดยตําแหน่งนี้กี่คนคณะกรรมการ 5 มา ง, 12 คนเนี่ยเลือกตั้ง 12 คนเนี่ยครับโดยแสดงมีอยู่ 8 เพราะไปรวมกับทางกับรองประธานด้วยมันพลรรคระประเทศององ 5 องค์อง 1 ประธาน 2 รอง 3 โดย 4 ผู้ 5 จากการเลือกตั้งเห็น 1 คนพอ 1 คนมา 1 คนของประโยค 1 เอา 3 ครับเอาสายคนผู้มาประพิ 4 คนครับเค้ามาติดบันทึกครับ 6 2 คนพล นะนะครับที่นี่คือการฝ่าพรุ่งนี้ไม่ได้ใครก็ไก่นายชินวร ผลัดกระทรวงการคลังครับผมอภิชาติจีรวัฒน์องค์คณะ 2 ประเภทคือองค์<ใช> มีคณะ 10 คนพอสอเกณฑ์ 3 ประยุง 10 คนนะ 1 ประธาน 2 โดย 3 ผู้ 4 ประจักษ์การเลือกตั้งเกณฑ์นะ เพราะเกณฑ์เป็นอนุบรรดากรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นประธานข้อสอบอาจจะถามมา 4 คนนี้เอาคนใดคนหนึ่งขึ้นไป ผู้ส่งคุณวุฒิโอเคบางคนเลยเอ้ยอาจารย์คิดละทําไมเค้าอยากเป็น อปส. เทศนุกรรมสามารถมาได้บางคนเอาเงินไปผมไม่เชื่อผมมั้ย ข้อใดเป็นหน้าที่ของ อกส. เขต 2 ไม่ข้อที่ 3 นี่ครับผลประโยชน์บังคับสอนประมาณนั่นคือพิจารณาให้ความรับผิดชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้า อยากบรรจุได้หรือไม่ได้ครับต้องให้เค้ามีความครูคณะการ ได้สมมุติว่าออแบบง่ายๆได้ 2 ขั้นก็แล้วกันนะจริงๆซับเลขมีขนาดได้ 2, 2 ผมอกสสเขตพื้นที่การศึกษาครับเพราะฉะนั้นการบรรจุการย้ายการจัดดําเนินการทาง ข้อ 2 พิจารณาให้ความรับผิดชอบการปฏิบัติ เอ่อไปหาหมอดูก็ได้ครับถ้าหากว่าไม่เข้าเว็บไซต์นะครับนะใครเป็นๆอย่างนี้ก็ไปดูเว็บไซต์ในเขตที่จะไปสอบน่ะอยู่ <c oughs> ขอให้อาจารย์ได้รับไปสอบก็ยังไม่ได้ครับ 3 บีบโรงเรียนอืมไปสิผู้จะฟ้าเด้อบอกเพิ่นจะขึ้นพี่น้องภาษาเขมรเรียก ดูดูตาไอ้หัวเนี่ยเป็นคู่เลยครับมาดูหน้า 117 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีครับ ท่านไปดูหน้า 108 หมวดที่ 2 ครับบท 2 ครับถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษา 18 ปีบริบูรณ์อย่าลืมคำว่าไม่ผมแล้วมีคุณวุฒิ 3 ปลôn ด้วยแต่สําหรับคนที่จะเป็นท่านอาจารย์ครูต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ถ้านี่คุณ 2 ปกครองทางการฐานต้อง 18 ปีบริบูรณ์ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ไปอ่านเอาเองส่วนข้อที่ 5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ แต่โรคที่ กพ. ปลดเป็นเรื่องของ กพ. เราจะเอาโรคมี 5 โรคมันประกาศมีทั้งโรคเื้อนให้ระวังโรคเลื้อนอย่าลืมตรวจก็ใน บรรจุเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการสาธารณสุขข้อไข้เป็นโรคเรื้อรังข้อ ความเคลื่อนจากออทิรักนะครับผมนะอื้อความเคลื่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณสมบัติ 3 ครับตําแหน่งของคุณ ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 3 ประเภทคือประเภทกประเภทขและประเภทคก่อน <ข อ. S 2> 38กตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนี้ครูผู้ครูอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครูผู้ช่วยกับครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนการศึกษาภาษาคนที่สอนระดับอุดมศึกษาระดับนะระดับแต่อุดมศึกษาพี่ปริญญาครูมีเฉพาะครูครูโอเคไปดูประเภทข้อคือ ตำแหน่งพนักงานครูและคณาจารย์มีประเภทประเภทกสายผู้สอนประเภทขคือผู้บริหาร สวัสดีครับผมได้อ่านตัวนิราศสาเรือบันและขอแสดงความนับถือ <c ười> <c ười> ในการสอบคราวประเภทคอประเภทคอ 2 ตำแหน่งในสอบนี้ 1 ศึกษา 2 เดี๋ยวนะวงเล็บ 2 ใช่มั้ย 38 ข้อวงเล็บ 2 ใช่ 38 ข้อวง 2 เค้าเรียกว่าคือสอบประเภทคอนะวงเล็บ หรือตำแหน่งของข้าราชการที่กสสกําหนดนํามาใช้เป็นตําแหน่งข้าราชการ แล้วก็ขอใช้ตำแหน่งผมกรรมการที่น่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นครับ ละนะจุดๆมีปลรอครับมีแต่รปรลืมไปเออที่ตรปรลืม แต่ กกส. ได้ไปขอใช้ตำแหน่งของอะไรครับผมพนักงานพลเรือนมาใช้เข้าใจมั้ยครับผมเพราะฉะนั้นอะไรที่ใดคณะกรรมการค่าราชการ กพ. ย่อมาจากอะไรมาตรา 6 กี่เป็นไรครับคณะกรรมการฆ่าราชการพลเรือนครับ กพ. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอธิบายแล้วและหน้า 144 น่าสนใจครับนี้ กำลังดำรัสครับคุณถวิลเปลี่ยนสีหน้า 144 หน้า 144 ครับเลขาธิการหน้าเลข 12 เห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยดังนั้นเนี่ย ประโยค 115 มาตราที่ 35 ข้าราชการพลเรือนมีอยู่ 2 ประเภทเลือกก็ออกข้อสอบข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภทก็คือข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่ง ตำแหน่งข้าราชการสามัญครับ 2 มาตราที่ 45 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 ประเภทตำแหน่งข้าราชการครูอุปกรธนสาริกิจเฉพาะ 3 3 ประเภทเพิ่นถาม ตำแหน่งข้าราชการบริรื่นสามัญมีกี่ระดับครับผม 4 ประเภท 1 ประเภทบริหาร 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภททั่วไปคนไหนครับต้องทั่วไปคนที่สอบปริญญาตรีนี้คือประเภทวิชาการเพราะฉะนั้น สามัญมีอยู่กี่ประเภทสอบสิทธิ์กี่ประเภทในคําถามว่าตําแหน่งข้าราชการครู 3 ประเภทไปดูครับมาตรา 46 ระดับตําแหน่งนะครับมา 147 มาตราที่ 46 ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีลําดับนี้ถ้าเป็นตําแหน่งประเภทบริหารจะมีระดับสูง ค่าประเภทอเมริกันก็มีต้นมีสูงแต่ระ 5 ระดับคือระดับพนักงานที่คุณสอบนะครับระดับชำนาญงาน พอเป้โตบัญญกิจนะครับผม 4 ระดับคือระดับปฏิบัติงานระดับชํานาญงานระดับอาวุโสและ ไม่ใช่ปฏิบัติงานนะถ้าปฏิบัติประเภททั่วไปเป็นปฏิบัติงานปฏิบัติการทํานานการครับครับ คนอยากรู้เหลือเกินโอเคนะครับตำแหน่งข้าราชการพล 4 ประเภททั้งหมดแล้วแล้วตำแหน่งประเภทวิชาการมีกี่ระดับ 4 ครับคนอนุปริญญาได้ 2 เจ้าหน้าที่ครับมี 4 ระดับนะครับก็เรียนกับ แล้วคุณกําลังจะสอบอยู่ใน 2 ซึ่ง 38ควงเล็บ 2 บทตําแหน่งที่เลขที่เป็นอื่นที่คส 2 ครับคสค่ะค่ะแล้วผู้หัว ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตำแหน่งงงเข้าใจมั้ยครับผมบ้านตำแหน่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ไม่มีครูและ ร้องมูลการฐานสาร้องพอเขตพอเขตศึกษาเนี่ยนี่ป่ะศึกษานิเทศต้องมีบ่ยากว่ะ แต่มีประยัญผมจะคิดมั้ยครับผมเขาไม่มีเขาไม่มีระยะฐานะนะครูผู้ของข้าราชการครูสมวันนี้ออกไปด้วยเฉยๆเพื่อนๆครูนี่ เนี่ยพอประเมินมาเสร็จก็แต่งตั้งขึ้นถ้าใครมีญาติพี่น้องพันโงเนี่ยเขาก็ไปเป็นช่างไม้ชั้น 1 ช.1 ช.2 ช.3 ต่อไปก็ ช.4 เจ้าเมื่อกี้ธุรการ ให้เป็นอาจารย์ผู้หลักวิชาชีพแล้วให้ไปสอนนะไม่ได้สอนให้ไม่ได้สอนทั้งครับบางคนเนี่ยเข้าไปสอนว่าครูไม่เคยอยู่ใช่ เสร็จราคาคือดิมัธยันครูผู้ช่วยใครอยากขึ้นมายืนครูใครท้ายย่านสุดแห่งเพดอ๋อนี่เมียพ่อโห่ครูอยากสุดคือ ไม่มีวิทยญาติปกติเค้าเรียกว่าตำแหน่งทางวิชาการของพวกนี้ครับนะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมือนผมเนี่ยตำแหน่งทางวิชาการของมีตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าใจนะ ว่าพวกหนูไม่ขอใช้ กพ. แล้วรู้เขารู้ร่องลบร้อยครั้งชนะอย่าไปบอกว่าวิทยฐานะชํานาญการครับพี่ดูตัวอย่างอะไร โอเคไปดูผู้อํานวยการสถานศึกษาครับจะตัดคําว่าสถานศึกษาออกเป็นผู้วิทยฐานะเช่นนายนิวิทย์นิคไพ okay. 2 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษใช่มั้ยครับผมเขาจะไม่มีคําว่าสถาน เค้าให้มีครับผม 5 ตามกัน 5 ระดับแล้วทั่วไปได้ 120 ใครที่ เอาเค้าเชี่ยวชาญพิเศษให้ท่านเติมเข้าไปอีกครับอีกประเด็นคือ 13,000 บาทกับ 10,000 5,000 5,600 บาทใช่มั้ยเงินครูอุปเทศพล สพฐ. 4 คน นะจะมี 2 เลนคือได้เงินตอบแทนเยธนะ 13,000 บาทกับ 15,600 บาทเติมให้หน่อยครับเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับเป็น วันไหนบ้านเมืองมันปืนเครื่องเขาสามารถยกเลิกได้มั้ยครับผมชํานาญการเพิ่มโอเคมั้ยผ่านไปดูหน้า 121 ข้อที่ 3 พระองค์กรในตําแหน่งนั้นสอบ เขาเรียกตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง 4 ตำแหน่งเหล่านี้ 1 ส่วนครับไปดูหน้า 123 ครับ เขาเรียกว่าผู้มีอํานาจปัจจุบันและต่างๆตามกฎหมายฉบับนี้อยู่มาตราที่ 53 โปรดพิจารณาหน่อยครับ 2 น่ะ 3 คนนี้คือผู้อํานาจขอ ได้สังเกตเห็นโดยอนุมาตโดยมติคณะกรรมการเป็นลงไปด้วยที่สมบูรณ์ ถ้าคุณสอบปัจจุบันได้ทั้งทั้งคราวนี้ได้สอบได้ถ้าคุณ เรามาดูคนที่มีอํานาจสั่งบัญชาได้แต่งตั้งสามัคคี 네? 531 3, 3. 3. คนครับ 1 เลขา 2 2 ผู้ 3 ศึกษานิเทศก์ครับ 4 ใช่มั้ยครับเดี๋ยวอาจารย์ใส่ข้อ 4 นี้บุคลากรทางที่การศึกษาครับตรงผ่านไป 124 ข้อ 4 การทด ทดลองปฏิบัติหน้าที่และกันแต่ถ้าหาว่าเป็นครู 2 ปีแต่ถ้าคุณ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนแต่ 1 ปีครับ ถามว่าคุณเป็นข้าราชการตั้งแต่วันไหนครับก็ตอบกันอยู่ได้ครับวันที่ผู้มีผมได้เป็นข้าราชการบางคนเข้าใจว่าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ พยายามหาลงไปมันอยู่โรงเรียนนี้ตำแหน่งครู ถ้าขาลูเนี่ยแต่แต่นั้นบ่ปวดเลยบ่สิหวังผมแต่ข้อแต่ข้อ โอ้ยบ่ฮือเป็นครูผู้ช่วยอยู่ในระหว่างการเตรียมของของของให้เค็มเวลานะหน่วยดอกเพราะคุณไปเข็ดเท่าไหร่กัน ผู้เมืองการสาธารณสุขโดยอํานาจของ พ.พ.ส. 7 สาธารณสุขแต่ถ้าหากว่าสถานขอใช้ที่ไปอยู่ที่สถานสาต้องให้ใครครับผมผู้เมือง เสียงดีเหมือนเดิมมั้ยร้องร้องๆถ้าว่าคุณสอบเส 86 เยี่ยมแต่เพื่อน อือผมไม่ได้ 3 เพลงกับคุณเยี่ยมอะไรสักคุณร้องเพลงเพลงเยี่ยมอื่นเหมือนกันอืมมันมันขึ้นอยู่ตามหมายบางครั้งนะครับท่านเป็นยอดถ้าหากว่าคุณสอบบรรจุครั้ง เอ่อโดยระมัดของอสสแต่ท่านคุณสอบไปทําเล 5 เลย การเสริมสร้างก็สิภาพในการปฏิบัติการครับนั่นคือการ ใครที่ลาบ่อยครั้งหรือมาทํางานสายการลาบ่อยครั้งภาษาอีสานเขาเรียกว่าดุข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนครับถ้าลาเกินครครคร <c oughs> 6 ครั้งขึ้นไปเขาเรียกว่าลาบ่อยครั้งของ เดิน 8 ครั้งขึ้นไปครับไม่ได้เลื่อนเดือนๆ8 ครั้งไม่ได้ถ้าบนสํานักงานทุกสายเกินเท่าครั้งดูดีๆหน่อยครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนเรการ ปกติให 8 ให้คุณมาทํางานเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. แต่ถ้าหากว่าหน่วยงานใดจะให้ข้าราชการมา น. ถึง น. น. น, นเก๋มั้ยครับ <16 น. S 1> วินัยของคณะการครูและครับมีอยู่ 13 ข้อคือจะเริ่มต้นจากมาตรา 83 ถึงมาตรา 95 นะครับวินัยและบุคลากรทางการศึกษาคือไม่ได้ใช้วินัยของ ก.ค. นะยืมอะไรเข้าบ้าง 1 ไปยืม ถ้าเรายื่นบัญชีเงินเดือนเข้าครับนั่นคือเรา 2 ลักษณะวินัย 2 อันดับคือ กับวินัยที่กระทําผิดที่ไร้แรงหรือไม่ไร้แรงยังไงที่หน้าที่ 129 มาตราที่ 83 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงมาตราที่ 95 ให้ไปอ่าน อันนี้พวกออกบ่อยๆจะเอามานี้ไม่ให้ก็โอ้งั้นนี่เนาะอันไหนอันนี้รัฐสภานะถ้าเปิดหน้า 130 มาตราที่ 87 นะครับถ้าท่านเป็นรอง ผอ. เกณฑ์ก็ได้ไปออกแล้วกันเนาะพี่หน้าเปิดสอบนะครับ 2 กับท่านรองหน้ามาตรา 87 นะครับ ว่าเนี่ยก็จะเป็นอ๋อระหว่างละกับทอดผมรู้จักละ<โ> แล้วละละไม่มาไปเล่นเฮโลพดพอดของป้าเราๆพอละทิ้งก็คือไปอ่านเลยเพราะมากเลยบอกมากเห็นหน้าเปอร์เซมิวีวีพอมา คำจำกัดความที่ออกข้อสอบบ่อยๆครับนั่นคือหนึ่งความปิดรหูโทษหมายถึง มามาเป็นชื่อแล้วก็ไปครับถ้าการ 5 สถานโทษมัน เพราะนั้นโทษทารไว้ได้ที่ไม่ร้ายแรง ระวังระวังดีๆนะครับไอ้ภาคทันเค้าจะเอาทันอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเป็นโทษทางในที่ร้ายแรงระวังเค้าจะ ปกติทําอะไรมีพระฐานดําเนินอย่างให้เค้าหลอกครับกฎหมายคือกฎหมายครับกฎหมายก็เขียนให้เค้าเป็นอย่างนั้นครับนะผ่านแล้วแล้วบางคนก็บอกว่าอาจารย์ คนละปฏิบัติงานที่สํานักงานเกณฑ์ข้อใดสถานข้อที่สถานไปดูข้อ การลงโทษภาคทันให้ชายเฉพาะกรณีกระทำ เพราะฉะนั้นว่ากล่าวผิดเถือนใช่ทุจริตหรือไม่ได้มั้ยไม่ใช่นะแต่วันเพราะฉะนั้นผู้ใดเค้าสอบ ข้อที่ 2 อ่ะขอขอเนี่ยหน้า 132 ก่อนนะหนงมาตรา 94 นะเป็นเคสครูภาคศึกษาบางทีเนี่ยมาตรา 94 กระบวนการต้อง 4 อย่าง ที่ 6 ก็เรียกว่าปรเมชัวร์ 2 เนี่ยนะสนับสนุนให้ปฏิเสธ การทำละเมิดทางแพทย์ต่อผู้เรียนหรือหรือนักศึกษาไม่ว่าจะในฐานะนี้ครับนะสายที่เห็น เนี่ยเกิดรวมท่านโอเคครับอันนี้ที่เป็นตัว 134 นะครับอํานาจการ 2 นะครับมีอํานาจลงโทษทาง 3 สถาน อง, 2 ท่านมีอํานาจตัดเงินเดือนคนไม่ 5% ไม่เกินไมไม 2 เดือนครับเงินเดือนปรุงนี้ไม 1 ขั้นเพราะฉะนั้นอํานาจสถานครับ ผอ.เขต ไม่มี แต่คนพิจารณามีอำนาจในการพิจารณาที่ 7 ในกรณีที่คณะ สมควรลงทวนปลดออกไล่ออกให้ดำเนินการดัง อ. อ. ค. ส. เขตพื้นที่การ อ. อ. ค. ส. เขต ขอเสนอลงกับลงลงนามในคําสั่งตามมติของกสสนะน้อย 34 ครับคําว่า ที่กระทําแล้วไม่ต้องสืบสวนสอบสวนครับลงโทษได้ครับ ตี่เด็กหรือจะทำบิดไปได้หลายแหล่งไม่หลายแหล่งเลยครับๆครับผมไม่จําเป็นต้องสืบสวนสอบ แต่กลุ่มสังหญิงเป้า 1,000 นะนะสารภาพตอนนี้ขึ้นเหนืออยู่ 500 นัดอันที่สารนั้นคือสาธิตภาพศาลให้จําคุกเมื่อผม 2 กระทําความ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดวันโดยไม่มีเหตุผลบุคคลระหว่างตัวสองเลยนะละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน 15 วันโดยที่มีเหตุผลนั้นควรอัน 1 ครั้ง 1 น้ําเขาอาทิตย์ 2 อีกต่อการ 3 ไม่ ไป 8 บทที่ 18 ครับตัวนี้จะออกจาก 2 ได้คุณสมบัติบทที่ 3 รู้จักตําแหน่งตัวเอง 4 เค้าบรรจุ 5 ครับบทที่ 6 วินัยบทที่ 7 ดําเนินการทางภายบทที่ 18 ออกแล้วครับตัวนี้จะออกเพราะ แต่ถ้าคนที่มีกรณีการครูและคอธรรศาออกราชการได้ 6 กรณีแต่ถ้าใครไม่มีใบตายโหด 2 ครับคือ 3 คือลา 4 คือถูก ระวังบริเวณที่ 4 นะครับถูกสั่งให้ออกคุณ 2 ยก 4.8 เลยครับรับราชการไว้ไว้แล้วผม ผมไปปฏิบัติงานทางการแล้วต่อไปแล้วคุณต้องเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมไปกับคุณต้องออกจากราชการเออให้ไปรับ <We> คุณต้องกลับมารายงานตัวครับภายใน 180 วันกรณีอย่างครับมี 6 กรณีแต่บุคลากร 5 กรณีกรณี 5 ถูกสั่งลง ก็เป็นการออกจากราชการอีกประเภทนึงส่วนกรณีที่ 6 ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับท่านครับคือคนที่มีใบรับย่อประกอบจ้างจิ้มเพราะตอบ 6 กรณีครับแต่ถ้าถามว่าถ้า ไปดู 135 กันในในกรอบครับถ้าเกิด ปรับเปลี่ยนหน้าเมื่อกี้เนี่ย ผอ. กกต. ไม่ถูกต้องปุ๊บ ผอ. เขตมีสิทธิ์จับกั้น คนพี่ลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นคือสอบขนกลการสํานักทรัพย์ได้นะครับผมผม คำข้อสอบก็ถามว่ากรณีใดที่ผู้ถูกราออกเพื่อดํารงตําแหน่งทางนั้นเพราะฉะนั้นผ่านสุดท้ายครับผมอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วยประเด็น การอุทธรณ์ใช้กรณีที่คุณจะผ่อนคลายความทุกข์ใจของคุณในกรณีถูกลงโทษทาง ไปดูข้อที่ 1 ไปครับการอุทธรณ์ใช้กรณีโทษลดโทษทางไหนถ้า ประเด็นที่ 2 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางมิได้ไร้วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งคุณอุทธรณ์ เย็นบนตรวจลงโทษภาพทางตัดในรถครั้งนึงพี่อปคสแต่อปคสก็ยังยืนยันว่าโทษตรงนี้ก็ถูกก็ไป อยู่นั่นอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับการโทษปลดออกโดยไม่ก่อถ้าหาก targeting ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมประเด็นที่ 1 นะกรณีที่ไม่ได้รับความธรรมหรือมีความเข้าเข้าใจเนื่องจากการทําของหรือสาธารณพิษ ผมไม่พอใจอีกครับในกรณีนี้ก็เขียนต่อได้ครับหน้าร้อย ถ้าพอเป็นธรรมนะประเด็นนี้นะตัวนี้นี้ซึ่งจุติกสอครับไปสารปกครองไม่ได้เข้าใจมั้ยครับผมการสุขไทยครับผมขออยอย 5 อย่างเท่า ได้รับโทษภาคหันจะไปน้อมรับให้ลงโทษผมเนี่ยการร้องทุกข์ก็คือ 1 ไดไดเนี่ยนะ พอบ๋อมคือบ่ได้อย่างผู้อยากไปแต่งงานนี่นะครับ 3 เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้คณะบัญชาถ้าหมู่นี่หมู่เฮ็ดให้คับห้องใหญ่สิลองทุบไปบ่ไม่ได้ กรณีคับครองใจโอเคมั้ยเหมือนท่านพูดครับต้องเป็นเนื่องจากการทําของผู้คร 2 ครับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการยกตัวอย่างเห็นกรณีใดที่คุณครับหน้า 134 นี่แหละครับ 1 ต้อง เขาไม่ออกจากการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองเขาออกจากการทั้งหลายแหล่นะครับคุณใช้สิทธิ์ร้องทุค 10 ร้องทุคต่อ กพส. นับแต่วันที่ สารปกครองได้ครับอย่างนี้ครับ 3 ปกครองนะเพราะ 3 ปกครองไม่คืออะไรครับผมร้องถูกเผาะเนื้อป่าๆก็คือทุบเมาครับเป็นทุกหนักเป็นให้ออกเนี่ยไปบอร์ดโอเคครับท่าน<อ> 112 ใหม่เอาเห็น พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกฎหมายที่ใช้ในของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูหมายถึงอะไรบุคลากรทางการศึกษาหมาย 1 ครับองค์กรบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานบุคคล 2 ครบททั่วไปคุณสมบัติของคนที่จะบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการ หมวด 3 ตำแหน่งข้าราชการครูมีกี่ประเภทแต่คุณไปขอใช้ตำแหน่งของข้าราชการคนเรือนใช่มั้ยครับหมหม 4 ใครมี 5 การเสริมสร้างศีลภาพการงานหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัยของ 13 ข้อเป็น 7 การ 5 สถาน ผ่านออกจากการงานกฎหมายการศึกษาทั้ง 3 ฉบับพวกด้วยกฎหมายการ 4 เมื่อกี้หน่อยครับคง อืมแต่เยรายของดีใจเองอาจารย์บอกซื่อละพอกับ พอมีทางเลือกคือพอมีทางแพ้นะเช่นทํางานไปแล้วครับคุณได้ปล่อยละเลยใครจะเป็นคนเสีย 2 <Okay. S 1> ก็คือภารกิจศึกษาว่า <Okay. S 1> ระเบียบสำนัก 2526 ฉบับที่ 2 2548 และแนวปฏิบัติของ e-filing สตอทุกคนต้อง 2552 ฉบับ 2 2554 แต่อยู่ 2517 มันยก เราเราเห็นด้วยว่าถ้าโลดดูหนังสือเราไกลผมแล้วครับเราจะได้รู้ๆเราจะได้รู้ว่าครับท่านครับ และยังมี 2 ตัวที่ท่านต้องรู้นั่นคือทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติครุฑ หลวงพ่อนะครับผมเปิดให้ท่านเบรกรับ